กราบเรียนหลวงพ่อพระครูที่เคารพแล้วก็คณะสงฆ์ทุกท่านขอเกริ่นพรายัโยงผู้คใครนธรรมวันนี้ก็ได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้กล่าวแสดงให้คิดแก่ยกโยงผู้มา ป, ปฏิบัติธรรม การฝึกหัดปฏิบัติทาเราก็ได้ดาเนินตั้งแต่วันที่เก้าจะบรถึงที่สิบห้าผ่านมาแล้วไหมวันนี้ก็เป็นวันที่จะต้องอำลาผาะจ้าและแยกย้ายกลับไปสู่ผูนมีลำเนาทังนั้นการที่ได้มาเรื่องประพฤติปฏิบัติธรรม ก็ถือว่าเราได้มาศึกษาวิธีการที่จะประพฤติปฏิบัติสึกหัดจิตใจเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติทางนั้นเราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ท่านได้ชี้แนะแนวทางในการที่จะให้ความรู้วิธีการปฏิบัติ ก็ได้เอาวิธีการที่เราได้ฝึก ด, ด้วยหัดนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพราะธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนถือว่าเป็นการมาฝึกหัดกายวายจาใจใจอย่างที่มันหยาบหยากยาก็ให้มันละเอียดเข้าหรือรู้เท่ารู้ทันต่ออารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันจะเพงเกิดขึ้น ทางด้านจิตด้านใจแทะการฝึกหัดปฏิบัติธรรมะก็เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาชีวิตของคนเราปัญหาทิตคนเราก็คือความทุกข์ทุกข์เป็นปัญหาใหญ่ของชีวิตของคนเราทุกคนถ้าเราสามารถแก้ปัญหาความทุกข์ทางด้านจิตใจนั้นให้มันลดน้อยหรือว่าให้มันอคลายจางออกไปได้บ้างชีวิตเราก็จะอยู่ในโลกอย่าง เป็นสุขหรื อ, อยู่อย่างสบายแต่ถ้าเราไม่รู้จักปลดปรื้มความทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานั้นเราก็จะอยู่กับทุกข์นั่งกับทุกข์นอนกับทุกข์อยู่กับความทุกข์โดยที่เราไม่รู้เท่ารู้ทันเพราะฉะนั้นการมาฝึกสติมาเจริญสติเป็นสิ่งที่สําคัญในชีิตของคนเราเพราะเราได้อยู่ด้วยสติอยู่ด้วยความรู้สึกรู้เท่ารู้ทันจิตใจเราเองแล้วเนี่ย เรารู้จักปล่อย ร, รู้จักวางได้บ้างแล้วเนี่ยจิตใจเรามันจะเริ่มเย็ยนลงเย็ยนลงเพราะว่าใจของเรานั้นมันไม่ถูกอารมณ์เข้าไปทําให้เศ้าหมองหรือทาให้ขุม่นมัวเพราะสติที่เป็นกุศลมั้นจะเข้าไปสกัดกั้นหรือรู้เข้ารู้ทันต่ออารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นทางจิตทางใจผลการได้ฝึกสติ ทุกเช้าเรื่องฝึกสติทุกๆวันเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ฝึกนั้นได้รับผลได้รับอานิสงส์มากมายหลายประการในการที่เราฝึกสติอย่างที่เป็นสิ่งที่ยหยาบๆก็มองเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะควบคุมการกระทำคำพูดของเรานั้นให้อยู่ได้ ถ้อยู่ในความที่เป็นปกติได้รู้จักคารวนรู้จักระวังาใช้วาจานั้นอย่างอถูกต้องแล้วก็ดีงามเพราะฉะนั้นสตินี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของคนเราหากว่เราไม่ได้ฝึกบด้หัดดับไม่เข้ของเราบ้างเลยจิตใจมันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวไม่มีที่จะเกาะมันก็ล่องลอยไปกับ อาลมณ์ความคิดต่างๆหรือสิ่งที่มากระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นตายใจใจก็ไม่สงบไม่ละงับถ้าเมื่อเราได้มาฝึกมาหัดได้มาดูกายมาดูใจมาศึกษากายศึกษาใจให้รู้เท่ารู้ทันต่อสภาวะรู้กัทธาของกายของใจการความเป็นจริงแล้วมันก็ทําให้เรานั้นรู้จักใครายจมีรู้จักใคร่ราตาทานที่เรายึดเราถือ ในรูปในนามหรือว่าในกายในใจอันนี้ผลวิปัสสนากรรมาฐานจึงเป็นเรื่องของการที่เรารู้แจ้งในกายในใจเห็นกายเห็นใจอย่างถูกต้องหรืออย่างถูกทาเรียกว่าการฝึกปฏิบัติกรรมาฐานการพิจารณากายในหลักของสติปัฏฐานมันมีอยู่หลายอย่าง ตอนที่ท่านอาารมหาได้กล่าวว่าในช่วงเช้าแบบอสุภะกรรมฐานก็เพื่อที่จะให้คลายความหลงไหลงัเมาในความสวยความงามหรือในความเที่ยงแท้ท่าวรนพ์ขอ ง, ง ร, อรา่างกายเรามาพิจารณาร่างกายแบบอสุภะก็เป็นอุบายทำให้ใจสงบะงับจากการมาราคะที่จะมารบกวนก จ, จิตใจเป็นการที่ ทำลายนิยมคืออะไรมนึความรักความไพ่นั้นให้มันคลายจางลงเป็นการทําให้จิตใจนั้นได้รับความสงบประทอันนี้ชื่อว่าการโดยใช้อสุภปภณฐานแบบการพิจารณาหรือทำใจให้สงบประทัดหรือเช่นเราไม่มีสติในการที่จะควบคุมจิตใจเราก็มาถูกสติดุอริยาบทหรือกายยะตากายยตาสติ มีสติที่ระลึกเป็นต่อในกาย ร, รู้ตัวเพื่อพร้อมในขณะที่เคลื่อนไหวรูยาบทเราก็มาปรึกสติกับการเคลื่อนการไหวของกายในเมื่อการได้เคลื่อนไหวไปมาเราก็มีสติคอยกำหนดรู้สึกอยู่ทุกขณะอยู่อย่างนี้จิตใจก็เกิดความสงบประนัดไม่เพื่อใจไม่เพืคล้องไว้อ ย, อยู่กับอลลารมณ์ภายนอก ก็เกิดความสงบเป็นสมถะขึ้นบ้างนี่เรื่องเรามาดูกายค ต, ตาติลุ่ยีรยรบทบพะสมมถัญญาบพันก็เป็นส่วนที่ทําให้เกิดความสงบได้เึ้นเดียวกันทีนี้ลักษณะของการที่จะเข้าไปดูจิตใจโดยตรงนั้นหากว่าสติของเรานั้นมันไม่ถี่หรือว่าสติของเรามันไม่สมบูรณ์แล้วเนะี่ยการที่จะไปรู้แทรู้ทันจิตใจนั้ในเป็นสิ่งที่รู้ได้โดยยาก เพราะนิสัยความเคยชินในการผิกคิดมันเรยมากสติก็ตามไม่ทันแต่ถ้าเรามาฝึกสติที่เป็นไปกับใยในส่วนที่หยาบๆนะเดินยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดขึ้นไหนวโยาบทแน้แต่นั่งกระพริบตาหรือหายใจอะไรต่างๆนเนี่ยในส่วนที่ละเอียดถ้าเรามีสติคอยกำหนดในความรู้สึกเหล่านี้ให้ทีให้มากเข้าบ่อยๆเข้าเนี่ย คามรู้สึกอันนี้มันจะค่อยสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นจนตามมารที่มันจะรู้วาระของจิตที่มันจะคิดออกไปในอารมณ์ต่างๆพอเริ่มผุดคิดขึ้นมาสติก็จะเข้าไปอย่างรู้ทันพอเริ่มผุดที่จะคิดอะไรขึ้นมาก็อย่างรู้ทันเป็นการรู้ทันต่อการที่จิตมันจะไม่คิดหรือว่ามันคิดไปแล้วก็รู้เขา้ารู้ทันที่รูจ้จักกันแน่แล้วว่าคิดอย่างนี้คิดเป็นกุศล เราก็รู้เท่ารู้ทันทิดอย่างนี้เป็นอกุศลก็รู้เท่ารู้ทันเมื่อรู้เท่ารู้ทันในคำที่เป็นกุศลและอกุศลเราก็สามารถที่จะมีธรรมวิจยะคือสอดส่องแยกแยะหรือว่าจำแนกทำในจิตในใจของเราได้ว่าทำส่วนนี้ควรที่จะปฏิบัติทำส่วนนี้ควรที่จะลดละหรือปล่อยวางเราก็มารู้ได้ที่การมีสติรู้เท่ารู้ทัน สติตัวนี้เมื่อถูกพัฒนาหรือว่าถูกฝึกฝนอบรมให้มากให้เจริญให้มากขึ้นแล้วเนี่ยจากาสติที่เป็นสามัญสติก็จะเป็นมหาสติจนเป็นตรรมยาเป็น่างที่สามารถพิจะเอียดรู้เท่าทันต่ออารมณ์ของจิตมากขึ้นมากขึ้นจนสา ม, มารถแยกออกได้เลยว่าอันนี้คือความรู้สึกคือใจ อันนี้คือเจตสิกคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเราสามารถแยกเจตสิกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจบ้าง น, นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะรู้แนวทางในการปฏิบัติได้บ้างแล้วคือรู้จักอารมณ์รู้วความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นรู้จักใจที่มันมีอยู่โดยปกติโดยธรรมชาติในฐานะใจที่อยู่โดยปกติโดยธรรมชาตินั้นมันก็ยังไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็เป็นสภาพที่เป็นภาตุรู้อยู่ธรรมดา แต่เมื่ออารมณ์หรือเจิตวิสุทธ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยใจเราจริงทุกจิงสุขจิงดีใจเสียใจรักชังโลภหลงโกรธเกลียดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาจากการปรุงการแต่งของสังขารจิตนะจิตมันปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาเพราะการมาดูจิตดูใจเนี่ยก็อยู่กับความรู้สึกที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาที่ยังมันไม่รักมันยังไม่ชัง มันยังไม่ดีใจไม่เสียใจในสภาพจิตที่เป็นปกติรู้อยู่เนี่ยเรามาอยู่กับความรู้สึกตัวนี้มันอยู่กับความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่เนี่ยอยู่กับตัวนี้แล้วคอยเฝ้าสังเกตคอยเฝ้าสังเกตเวลาที่เรายืนเดินนั่งนอนพูดเหยียดเคลื่อนไหวก็คอยเฝ้าสังเกตอารมณ์ที่มาเกิดขึ้นกับจิตจะมีความรู้สึกจากเกิดขึ้นในจิตก็มีสติคอยอย่างรู้อารมณ์นั้นรู้แล้วทาอย่างไรเมื่อกาหโดดไปแล้วก็ปล่อย มาทิ้งไม่ปรุงแต่งต่อคือปลอให้มันดับไปคือไม่ยึดในอารมณ์นั้นกลับมาอยู่กับความรู้สึกธรรมดาอยู่กับผู้กับนามที่กาลังเคลื่อนไหวไปมาอยู่ธรรมดาอยู่กับรู้ความรู้สึกอันนี้ไม่ละทิ้งไปจากความรู้สึกอันนี้ความรู้อย่างไหนก็แล้วแต่จะรู้มากรู้อย่างไรก็ตามเมื่อมันรู้เข้าไปในความพิดนั้นพยายมที่จะออกมาจากความรู้อันนั้นกลับมาอยู่กับความรู้สึกหากว่าเราตามความรู้ที่เรา ที่เราคิดไปตรุงแต่งไปมากนั้นมันจะเป็นวิบัติสนุหมายถึงว่ามันคิดอารมณ์บาดิตอนาคตหรือว่าคิดเรื่องอะไรขึ้นมามันปรุงแต่งยืดยาวมันไม่ขาดสายมันคิดไปรู้ไปคิดไปรู้ไปเกิดความเพลินเกิดความหลงในความคิดว่าเราไม่เป็นผู้อะไรขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยนั่นมันจะหลงทางกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัดความคิดตัดอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นให้มันขาดไปนะมาอยู่กับความรู้สึก ธรรมดาธรรมดาเนีเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราทิ้งฐานอันนี้แล้วเนี่ยนะเราจะปฏิบัติกรรมาฐานไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ถ้าเรารู้จักอย่างนี้แล้วเนี่ยอารมณ์อันใดเกิดขึ้นมาเราก็รู้ทันนะกลับไปอยู่กับความรู้สึกทางกายใหม่กลับไปอยู่ความรู้สึกทางกายใหม่เมื่อทําอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะมี ป, ประสบการณ์การที่จะรู้จะเห็นอารมณ์ต่างๆรู้การพุ่งตั้งของจิตของใจนั้นก็จะค่อยแจ่มแจ้ ง, จงชัดเจนมากขึ้น ในเมื่อตามันได้เห tr ็นหูได้ยินเรื่องการกระทบสัมผัสกับสิ่งที่เป็นวัตถุภายนอกแล้วเนี่ยเมื่ใจมันจะไม่คิดปรุงแต่งขึ้นมานีสติมันจะคยรู้แท่รู้ทันว่าสิ่งใดควรปรงแต่งหรือควรคิดหากคิดไปคิดด้วยสติที่มันกั้นมันกรองแล้วไม่ได้คิดด้วยความหลงด้วยความไม่รู้คิดด้วยมีสติมายถึงรู้แค่ทำระดับนี้ควรคิดไม่ควรคิดควรปรงแต่งไม่ควรปรุงแต่ง เมื่อเรารู้จากคิดรู้จากตัณกลางสิ่งที่คิดออกมามันจะเป็นผลผลิตของปัญญาที่กันกลองแล้วไม่เกิดเป็นกิเลสไม่เกิดเป็นความทุกข์กลับจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ในการที่จะใช้ความคิดใช้สติใช้ปัญญาในการประกอบคิดหน้าที่หรือจะคิดทำหน้าที่การงานเราก็ไม่เป็นทุกข์คร <K rew> ู้แท้รู้ทันแล้วว่าสิ่งที่คิดออกมานั้นอเป็นสิ่งที่ดีจริงๆที่ไม่อใช่กิเลสเป็นอย่างนั้น เพนักปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติกรรมฐานจะต้องเป็นผู้ที่มีใจหนักแน่นสักหน่อยหนึ่งในการที่จะปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเพราะสิ่งที่กั้นขัดขวางในการปฏิบัติธรรมนั้นมีมากมายก็คือความเคยชินของเราท่นเองเนี่ยเมื่อเราจะตั้งใจทําเมื่อเราจะตั้งใจกำหนดดูความรู้สึกนะไอ้ความพุทธต่างๆเนี่ยมันจะคอยขัดขวางเดียจะนำไปทำอย่านั้นเดี๋ยวจะพาไปทําอย่างนี้ มันไม่อยากให้อยู่กับอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในขณาดปัจจุบันมันไม่อยากจะอยู่มันขอทจะคิดพาไปโน่นพาไปนี่พาไปเลี้ยวไปแล้วเราก็มันมีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรติดต่อนี้ก็ทําเป็นปุพพศได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจทําแล้วต้องทำลงไปจริงๆกําหนดความรู้สึกลงไปจริงๆทําให้มันติดต่อทางความรู้สึกนี้มันต่อเนื่องแล้วเนี่ยรู้ได้เห็นได้โดยกันทุกคนเพราะสิ่งที่เรารู้นั่นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอก อยู่ภายในก็คือกายกับใจของเราเนี่เองอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันก็จะปรากฏเกิดขึ้นให้เรารู้ให้เราเห็นว่าความทุกข์จริงๆนั้นน่ะมันเกิดขึ้นมาจากต้นตอหรู้สาเหตุอะไรสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นสุดนั้นมันหมายความว่าอย่างไรมันเป็นอย่างไรเราได้ทดลองและพิสูจน์ไค้นหาในตัวของเราเองเราจะเห็นของจริงรู้ของจริงไม่ใช่รู้มาจากผู้อื่นบอก ไม่ใช่รู้มาจากการอ่านการศึกษาอันนั้นก็เป็นความรู้ที่อยู่ภายนอกยังไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาระดับความทุกข์อะไรเราได้แต่ถ้าเรามาทำความรู้สึกมาเรียนรูนะ้สิ่งที่อยู่ภายในใจของเราแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราได้เข้าใจชัดเจนนะมากขึ้นสามารถที่จะรู้จักสิ่งที่เป็นปรากฏปรณการือเกิดขึ้นในะขณะปัจจุบันในยู่ทุกขณะอ๋อจุกมันเป็นอย่างนี้ สุขก็เป็นมีอย่างนี้เองก็มันรู้นะความสุขก็ก็มันรู้สุขนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจก็ไม่ถูกเข้าไปยึดถือในความสุขไม่เท่ไม่หลงในความสุขนั้นในขณะที่จิตเกิดทุกข์หรือเกิดความเบื่อเซงเกิดความอึดอัดเกิดความวุ่นวายขึ้นมาตอนนั้นอะตอนที่เราจะต้องใช้ความอดกลั้นอดทนซึ้งหนดูมันมันทุกข์อะไรก็ก็มันรู้ดูมัน ตัวการทุกที่มันพลังปรากฏอย่านี้ประสบการณ์อย่านี้ปรากฏประการที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นความทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่เป็นครูเป็นอาจารย์ที่ทําให้เรารู้จักหาทางออกรู้จักวิธีที่จะดักถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราหนีปรากฏการณ์เหล่านั้นเพี้ยหลบหลีกไม่กล้าที่จะฟู่หน้าหรือไม่กล้าที่จะกระหมดตู้อารมณ์นั้นเราก็ได้ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ดูไม่ได้เห็นของสิ่ง ดังในอริสัพที่ทุกที่เกิดขึ้นท่านบอกว่าให้กำหนดรู้สมุ ท, ทัยคือสาเหตุคือการปรงุงการแต่งการนึกการคิดการเข้ากำหนัดอะไรขึ้นมาในอารมณ์ น, นั้นท่านให้กำหนดแล้วก็ละเสียรูยร้แล้วก็ละเสียมัดคือการทําให้เกิดความรู้สึกติดต่อรู้ทําการอย่างรู้ในอารมณ์ปฏิบัติสุสติสสปฏิบัติ สุดญาณสุดปัญญาให้เกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่ควรเติมอันเป็นสิ่งที่ควรเติมควรทําให้ต่อเนื่องเป็นเหตุทุกเนี่ยมันก็มีเหตุคือตัวสมุทัยหมายถึงตัวนึกคิดปรุงแต่งตัวที่เกิดความหลงความไม่รู้เท่าทันต่ออารมณ์เนี่ยระหว่าเป็นสมุทัยจะเหตุให้เกิดทุกทีนี้ตัวมรตัวมรตินี่หมายถึงตัวสติตัวปัญญาตัวที่เราสึกเกิดขึ้นจากความรู้สึก ระลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์น เ, นเป็นตัวมกกรรคตัวนี้เป็นตัวสิ่งที่ควรตระหควรทําให้มากแล้วตัวนี้โลดมางทังความดับความดับของสังขารความดับของกิเลสหรือจิตใจที่ไม่ถูกพวงตึง น, นั่นคือตัวผลของการปฏิบัติเพราะนั้นทุกิอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลหรือ เ, เ, เป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลไปซึ่งกันและกันถ้าสมุทัยไม่เกิดทุกก็ไม่เกิด เมื่อมรรคไม่เกิดนี่เลืก็ไม่เกิดราะเมื่อเรามาเจริญมรรคมีเลือดมัก็ปรากฏเกิดขึ้นมาทแบบั้งความบัดความเย็นหนงด้านทีน่ใจก็จะเกิดขึ้นมาเพราะวิธีการปฏิบัตในการที่กำหนดความเคลื่อนไหวรหรือหมายถึงการมาพรมสุทที่เป็นภาในกายเนี่ยจึงเป็นอุบายในการที่จะทําสตินั้นให้มันตืน่นทําสตินั้นมันทำหน้าที่ระลึกรู้สึกในการที่จะกำหนดรู้อารมณ์ต่างๆ พื้นเมื่อเรามาดูกายมากเขามาฝึกกับสารมากเข้าสติก็เกิดการช่าชองว่องไวในการที่เกิดทางาจรู้สึกระลึกรู้เร็วขึ้นเมื่อฝึกอยู่กับกายโดยเข้าเบ่งเข้าเบ่งเข้าเมื่อจิตนี้ถูกสึกสตินี้ถูกสึกให้ระลึกรู้ดบ่อยเข้าแล้วเนี่ยเมื่อรู้กายชัดทีนี้ความรู้สึกทางกายจะเบายืนก็เบานั่งก็เบาเดินก็เบ่าความรู้สึกที่ อยู่กับตาเราเนี่ยมันจะเบาในขณะที่ตุมันสมบูรณ์หรือ ม, มันตื่นมันโผลงขึ้นมากายจะเจบามันเดินกลมกลมนี่เหมือนกับจะลอยแล้วติมันเอส่งเรื่องมันทําหน้าที่ในการที่มันรู้เท่าทันอยู่เมื่อกายเบาวนี้จิตก็เบาในขณะที่จิตใจเบาหมายถึงว่ามันรู้ทันอารมณ์ความคิดอะไรที่เกิดขึ้นมานรู้ทันดัดไปรู้ทันดับไปอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะเห็ น, นแต่การเกิดการดับของอารมณ์ของจิตนะ คขึ้นมาถ้าเดาต้ดับเทนั้นเห็นอารมณ์มากอะไรก็ดับไปเท่านั้นเห็นสิ่งที่เกิดที่ดับมันอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะคอยทำให้ใจนั้นรู้สึกเกิดปิติเกิดความเตินใจขึ้นมาใจรู้จะดเต็มใจมันเต็ ม, ใจ ม, ตมใจมันไม่หิหวโหยอารมณ์ใจมันไม่ละเมิดหรืไม่เลิดในอารมณ์เห็นอะไรขึ้นมามันก็ไม่ยึดไม่แบกเห็นลักษณะของการยึดการแบก การยึดถือในอารมณ์นั้นเป็นเรื่องของความทุกข์เนี่ยมันเป็นรู้เหตุอย่างนั้นเห็นการยึดถืออารมณ์ต่างๆในทางด้านจิตใจเนี่ยอารมณ์คล้ายรักก็ดีหรืออารมณ์โกรธเกลียดก็ดีอารมณ์ที่ดีใจเพลิดเพลก็ดีนะเมื่อมันเหอารมณ์นี้แล้วเนี่ยอ่าจิตมันไม่เป็นปกติแล้วเมื่อในเมื่อมันเสพอารมณ์ในเมื่อมันติดอยู่กับอารมณ์นั้นมันก็ทําให้เราหลงเราเพลินเราติดอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นมันก็เป็นทุกข์ ทุกเพราะว่าเราขยิบมั่นหรืมั่นในอารมณ์แต่ถ้าเรามีสติรู้แทนแล้วเนอารมณ์เหล่านั้นมันก็ไม่ทําให้จิตนั้นเกิดความหนักพอรู้แทนแล้วมันก็รู้จะตัดจะปล่อยจกวางใจมันก็อยู่แบบว่างๆอยู่แบบธรรมดารู้สึกอยู่เป็นปกติไม่ถูกอารมณ์ก็ไปบีบดีบใจบังคับใจให้อึดอดัดขัดเคล้น่นก็เป็นการทําให้ใจนั้นอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้สติแล้วก็อยู่ด้วยปัญญาตลอดทั้งวันทั้งคืนนี่คือเราได้ที่พึ่ง ได้แนวทางในการที่จะทําลายกิเลสหรือจะฆ่ากิเลสแล้วถ้าเราไม่รู้เท่ารู้ทันความคิดด้วยอารมณ์ที่เปล่งตังเราก็ไม่สามารถที่จะฆ่าหรือจะทําลายกิเลสได้เพราะกิเลสกับความคิดนั้นมันเป็นสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นในขณะที่เราคิดเปล่งต่งแต่ถ้าไม่มีสติตัญญาเข้าไปรู้เท่ารู้ทันแล้วเนี่ยมันก็เกิดอุปาทานยึดถือในความคิดเหล่านั้นพอยึดถือขึ้นมามันก็เกิด กิเลสความโลภโกรธหลงขึ้นมาในจิตในใจเพราะนั้นเรามาฝึกสติก็เท่ากับเราฝึกปัญญาทําให้เกิดแสงสว่างทําให้เกิดการเห็นแจ้งรู้จริงในสภาวะของจิตของใจดูจิตดูใจเพราะฉะนั้นการที่มารู้ตนเองเห็นตนเองไดูเห็นจิตเห็นใจตัวเองนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่ประโสริฐที่สุดที่หลักธรรมุตกลถ้าเราไม่รู้สิ่งนี้ไม่เห็นสิ่งนี้ไม่เข้าใจสิ่งนี้ ก็คือว่าเรายังไม่ด้รู้ธรร ม, มเห็นธรร ม, มะเข้าใจธรร ม, มะแต่ถ้าเรามารู้ใจเห็นใจตัวเองรู้ต จ, จุดที่มันนึกน ม, น ม, นมนันคิดมันปรุงเป็นมันต่้งเป็นกุศลอกุศลเป็นดีเป็นชั่วเกิดเพัฒนาความฝึกความทุกข์ขึ้นมาแล้วนี่นี่คือการรู้ทำเห็นทำภายในใจเป็นการที่จะทําให้เรารู้จักปล่รู้จักวางรู้จักตัดรู้จักละรู้จักสลัด อารมณ์ต่างๆนั้นให้คลายจางด้วยให้หลุด อ, ออกไปจิตก็จะอยู่ด้วยสภาพที่ไม่ตกเป็นภาตุของอารมณ์ไม่ตกเป็นภาตุของความรู้สึกที่เกิดขึ้นแม่ตาจะได้เห็นแต่ใจมันก็ไม่ปรุงหูจะได้ยินใจก็ไม่ปรุงจมงก็ได้กลิ่นใจก็ไม่ปรุงพื้นจะได้รับเลือดอาหารอร่อย ไ, ไม่อร่อยใจก็ไม่พรุงต่างหรือกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ต่าง ใจก็จะเป็นสภาพที่เป็นประจรู้ทันไม่พวงตึงถึงจะคิดอะไรขึ้นมาคิดแล้วก็เฉยไปใจก็ไม่ได้ยึดไม่ได้แตบะบไม่ได้ถือในสิ่งที่เป็นความคิดนั้นใจก็อยู่ในสภาพที่ว่าไม่ถูกอารมณ์เข้าไปพวงตึงรู้ไม่พวงตึงอารมณ์ให้เกิดกิเลส ต, ต่างๆขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีการที่ดัดใจบัดบกิเลสที่ไทยใน จ, จิตใจของเราเพราะว่าสิ่งเน่้มันเป็นเหต สำคัญที่สุดทำให้เราต้องเดือดร้อนวุ่นวายสับสนก็อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ท่าทางจิตใจนี่เองเมื่อรู้ไม่ทันจิตใจไม่รู้ทันกิเลสไอตัวกิเลสที่มันแฝงเกิดขึ้นกับใจเนะี่ยมันจะผลักดันให้เรานั้นต้องทำในการที่จะต้องเบียเดเบียนช่วยกั น, นกด้วยกันด้วยวาจาด้วยกายต้องทนข่าลาวูต้องทะเลาะเบาะแะว้งกันเพราะกิเลสมันผลักดันอยู่ภายในคือถ้าเรามา รู้เท่ารู้ทันสาเหตุสามารถที่จะมาอลดละสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยใจมันก็สงบก็เย็นก็สบายใจก็ไม่ต้องทุกข์เดือดร้อนมันรู้เท่ารู้ทันสภาวะรู้สภาพความจริงของรูปของนามรู้เท่ารู้ทันกายรู้เท่ารู้ทันใจเห็นกายก็ชัดเห็นใจก็ชัดการเห็นชัดแล้วจะรู้เท่ารู้ทันแล้วมันมีกฎกฎที่ตายตัวของมัน คือความไม่เที่ยงเข้าปยึทถือเป็นทุกเพราะกายใจนี้มันไม่กว่ามันไม่ใช่อตัวตรรอัตตาของเรามันเป็นเพียงธรรมชาติที่อผสมประสานกันให้เกิดขึ้นทั้งเองแล้วเมื่อธาตุเหล่านี้แยกออกจากกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามเรื่องตำราของมันเพราะมันมารวมกันมันเป็นเหตเป็นเกิดสังขานเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเพราะนั้นการที่เรามาเตรียวิปัสสนาหรือทำกรรมฐานเนี่ยคือมา รู้การรู้ใจาตางความเนจริงที่ท่านให้ยกเอาเรื่ อ, อนามเป็นอารมณ์นั้นก็หมายถึงว่ามาทําความรู้สึกให้รู้สึกอยู่ในขณะปัจจุบันในทุกขณะปัจจุบันนี้หมายถึงอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะ น, าา น, นี้เดียวนี้สิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่รู้ไม่ได้ในนาทีที่ผ่านมาแล้วเราก็รู้ไม่ได้มันก็ดับไปแล้วเมื่อวานนี้กผ่านไปแล้วประมงก็ผ่านไปแล้ว นาทีที่นาทีก็ผ่านไปเลยเรารู้ไม่ได้แต่เราสามารถรู้ได้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้นี่คือการเข้าไปรู้ในขณะปัจจุบันในขณะที่เรายกมือขึ้นนี่เป็นปัจจุบันวางมือลงนี่เป็นปัจจุบันใะขณะที่ลมหายใจเข้าเป็นปัจจุบันลมหายใจออกเป็นปัจจุบันในขณะที่จิตมันสัมผัสกับอารมณ์รู้สึกนั้นเป็นปัจจุบันนั่นแหละคืออารมณ์เพราะวิสัชนากรรมฐาน คือให้รู้อยู่ในอารมณ์ที่กำลังขณะปัจจุบันรูปเคลื่อนไหวมีความรู้สึกเป็นรูปเป็นนามนั่นคือปัจจุบันที่เรากําลังเอทำหน้าที่อยู่ให้รู้อยู่ในขณะปัจจุบันในอย่างนี้พอรู้ทันอยู่ในขณะปัจจุบันในอย่างนี้อารมณ์เข้ามากระทบก็รู้ทันนั่นะรู้ทันอยู่บ่อยบ่อยบ่อยบอยมารู้ทันแล้วมันก็อไม่ถูกปรุงแต่งมาถึงเรามีสติตัญญารู้เท่ารู้ทันคอยรู้คอยเห็นอารมณ์ของจิตของใจอยู่อย่างนี้แล้ว นักปฏิบัติก็จะเข้าใจแล้วว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมันเป็นสิ่งจําเป็นขั้นบัตชีวิตเ่าเพราะใจของคนเราที่ยังไม่ถูกฝึกถูกหัดถูกบังคับให้มันอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันนี้แล้วมันถูกอารมณ์เข้าไปชักจูงและปรุงแต่งตลอดทั้งวันมันมีอารมณ์คิดคิดไปปรุงต่งไปแม้แต่จะนอนก็ยังคิดยังปรุงแต่งเป็นความฝัน ใหจิตต้องเป็นฝุกเป็นทุกข์ในอารมณ์แห่งความฝันนั่นอีกกลางคืนเป็นควันกลางวันก็เป็นไฟใจไม่ได้พักผ่อนใจไม่ได้สงบสงับหากว่าสังขารหรือในส่วนจิตที่พงต่ามันกำเริทําให้ระบบประสาทไม่ดีแล้วก็เกิดเป็นโรคภยัยเข้เจ็บขึ้นมาเกิดเป็นการเจ็บป่วยเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตวิศลุเป็นบ้าต่างกันเนื่องจากจิตที่มันฟุน้งซ่านจิตที่มันควบคุมไม่ได้ จิตที่ไม่มีสติในการที่จอะอคอยดูแลรักษาเพราะฉะนั้นการเข้ามอฝึกหัดจิตใจเนี่ยจึงเป็นเรื่องของการฝึกชีวิตของเราโดยตรงฝึกให้จิตนั้นมันรู้จักหยุดรู้จักเย็นรู้จักการสลัดการปล่อยการวางการตัดอารมณ์ต่างๆนั้นให้ขาดจึงเป็นผลธรให้จิตนั้นอยู่เป็นสุขอยู่สบายทําหน้าอะไรก็ทําแบบรู้เท่ า, ร, ท า, ร, ทารู้ทัน ไม่หลงหรือว่าไม่ยึดติดในสมมติบัญญัติมากเกินไปรู้เท่ารู้ทันทั้งออารมณ์ภายนอกรู้เท่ารู้ทันทั้งอารมณ์ภายในเมื่อเรารู้เท่าวิธทันแบบนี้แล้วเข้าใจสมมุติบัญญัติสิ่งที่เป็นสมมติบัญญัติเราก็รู้เข้าใจถึงนั้นสมมติสิ่งนี้สมมติสิ่งนี้เป็นสัจจะสิ่งนี้เป็นของจริงสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งสมมติเราก็จะรู้ว่าเข้าใจเป็นการรู้เรื่องรู้นามเห็นเรื่องเห็นนามเข้าใจรื่เข้าใจนา เขาเ้าใจแต่งแยกประทุกส่วนนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสังขารร่างกายที่มันไม่เที่ยงจากสังขารร่างกายมันเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติที่มันอพยพแต่งให้ร่างกายกต้องเปนอย่นี้เข้าใจรู้จักแก้ไขเปลี่ยนแปลงอริยาบทรู้จักแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้จักรักษาร่างกายให้อยู่ในสภาพที่พอที่จะอยู่ได้นี่เป็นการรู้ส่วนร่างกาย ถ้ารู้ผลจิตใจก็หมายถึงว่ารู้จักรักษาจิตรัรกษาใ จ, าจาให้อยู่ด้วยความเป็นปกติไม่ให้ใ จ, จมันหวัห่นไหวสั่นสะเทือนไม่ให้ใ จ, จมันฟูมันแทบไม่ให้ใ จ, จมันเป็นทุกข์เดือดร้อนมาถึงรู้เข้ารู้ผันใจยอยู่ตลอดเวลาเพราะการฝึกกรรมฐานปฏิบัติจิตปฏิบัติใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากกระพุทธศาสนาของเรา หากว่าไม่มีส่วนนี้แล้วในพุทธศาสนาก็ไม่จำเป็นนั่นแบบชีวิตของมนุษย์เพราะว่าเราก็อยู่กันสบายอยู่แล้วนะถ้าหากว่าไม่มีส่วนนี้เพราะว่ามีความทุกข์นเองมนุษย์เราจึงได้มีศาสนาจึงไม่มีต้องแสวงหาที่พึ่งต้องแสวงหาความดับทุกข์ถ้าเรามีทุกข์นเองจึงมี อ, อผู้รู้จักทุกข์แล้วมาบอกทางออกหรือชี้ทางให้เรานั้นได้ออกจากความทุกข์เพราะนั้น พระพุทองค์จึงเป็นผู้ที่อรู้เข้าใจชีวิตของมนุษย์หรือชีวิตของคนเราเนี่ยอย่างแท้จริงโ่านอรู้ในตัวของพระองค์เองแล้วเนี่ยพระองค์จึงได้มาสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตามแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็สามารถที่จะผุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยการมาลดละกิเลสในทางด้านจิตใจมาฝึกสติสึกปัญญาฝึกญาณ ให้สามารถที่จะยังรู้ต่ออารมณ์ความรู้สึกความคิดต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับจิตกับใจพระองค์ก็ทรงสั่งสอนทั้งสองส่วนในส่วนที่เป็นศี่ธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมก็ต้องให้มีธรรมะในการอยู่ร่วมกันให้มีเมตตากรุณาเมตตารู้จักทําใจให้เป็นกลางอุเบกขาให้มีพลุ่งออดตัดต ะ, ต ะ, ตะให้มีความกาตัญญูกตวเวทิตาทํารู้จักบุญคุของพู้อื่น ให้รู้จักให้ทานเอื้อเฟื้อเั่วแผ่ให้รู้จักเจราจาในการกล่าวถ้อยคำที่ดีต่อกันให้มีความรักความสมับสมานสามัคคีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักในการที่จะช่วยเหลือเพื่อกูรึพืกันกั น, กนในหมู่เพื่อนมนษุษย์รู้จักหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภุกเป็นภรรยาหรือจ ะ, อะเป็นมิตรเป็นคนใช้หรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานก็ต่าง ต่างก็พระ อ, องค์ทรงบัญญัติธรรมะให้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะให้อยู่ร่วมกันในสังคมนั้นอย่างดีงามอย่างถูกต้องก็เป็นส่วนที่เป็นศีลผันส่วนในด้านปรรมะธรรมนั้นก็สอนให้เรานั้นรู้จักแลระงับดับทุกในทางด้านจิตใจหากเพื่อจิตแม้แต่เราจะทําความดีถึงที่สุดทําความดีมาตั้งแต่เล็กจนโตแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะรู้เท่ารู้ผันต่อความทุกในทางด้านจิตใจ ไม่สามารถที่จะงดดัดทุกอันตราขึ้นในจิตใจได้